สังฆทานช่วยชีวิตเหตุการ์อีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นแถวตึกไอบช่วงนั้นใกล้ๆจะมาอยู่วัดแล้ววันนั้นก็ฝึกตัวเองสําหรับจะมาอยู่วัดและหยุดขับรถเก๋งจอดไว้แล้วก็หัดขึ้นรถเมพอดีวันนั้นรถเมขาดช่วงนานก็ขึ้นรถสามล้อตุกๆพอรถผ่านหน้าโรงพยาบาลมาได้หน่อยเห็นตารวจโบกมือให้เราหยุดทั้งที่เป็นไฟเขียว รถตุกๆ ก, ก็ไม่หยุดข้าพเจ้าเลยรียบลดตัวลงนั่งตรงช่องวางเท้าแล้วเอามือจับกระบังเหล็กไว้ใจกระภาวนาพุโทโธธรมโมสังโคนึกว่าวันนี้ต้องตายแน่เลยรถตุกๆุกพุ่งใส่รถเปอร์โยสีทองดังสนัน่นคนขับรถตุกๆหันมาเลือดอาบเต็มหน้ากระจกบาดตำรวจเข้ามาถามว่าเป็นอย่างไรบ้างข้าพเจ้าก็ตอบว่าไม่เป็นอะไรแล้วขึ้นรถแท็กซี่ไปทางานต่อ ถ้าพระเจ้าได้เขียนจดหมายเล่าให้ท่านฟังท่านตอบว่าถ้าเป็นคนอื่นต้องเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วแต่เราได้ทำบุญให้แม่ไว้เราเพิ่งขายเข็มขัดทองไปซื้อดาบส่งไปถวายท่านและก็ได้ถวายสังฆทานเจ็ดวันก่อนจะเกิดเรื่องนี่แหละการทำบุญให้พ่อให้แม่บุญเลยช่วยไว้การวิบากจากหนักให้เป็นเบาชีวิตจริงๆเป็นแบบนี้แล้วคนอื่นๆ ก็ชอบว่าข้าพเจ้าโง่เอาเงินไปทาบุญหมดอย่างเข็มขัดทองเนี่ยก็ถามตัวเองแล้วว่าเรามาเก็บไว้ทำไมเคยถามท่านท่านก็ไม่ตอบเลยเอาไปขายและเอาเงินไปทาบุญกับท่านนี่ยังไงมันช่วยเจ้าของทันตาเห็นเลยเรื่องบุญเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆเดี๋ยวนี้พอบำนาญออกมาก็ทาบุญให้พ่อแม่หมดฝากท้องกินข้าวที่วัดไม่มีเงินเก็บ